เป็นปีๆแล้วรู้สึกตัวเองเปลี่ยนบ้างไหมโลกธาต์เปลี่ยนไหมวิธีมองโลกความรู้สึกในคิดถ้าพอวนาถูกนะรู้สึกเปลี่ยนเคยดูโลกนี่เป็นของจริงจังให้เห็นเหมือนของเล่นเหมือนฝันพอมันเหมือนฝันสัอย่างเดียวนะเวลาความทุกข์มานะมันก็ห่างๆออกไป โลกเป็นภาพมายาเป็นภาพลวงตาเหมือนความฝันเหมือนพยับแดดนะจะบอกเหมือนฟองน้ําฟองน้ําไม่ใช่ฟองน้ําที่ถูตัวใหน้นั้นทนอีกหนึ่ง น, น้ mm ํ hmm. าที่เป็นฟองขึ้นมามันอยู่ชั่วคราวในพอใจมันเห็นอย่างนี้นะโลกทัศน์มันเปลี่ยนความรู้สึกในกคิดมันเปลี่ยนมองโลก ทัศนะต่อโลกก็เปลี่ยนทัศนะต่อชีวิตก็เปลี่ยนไปคําว่าโลกโลกภายนอกโลกภายในก็คือรูปนามกายใจของเรานี่งทัศนะมันเปลี่ยนเราเคยเห็นว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราแน่นอนตอนนี้เริ่มเห็นบ้างแล้วว่ามันไม่ใช่หรอกมันของไม่เที่ยงมันของถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา เป็นของที่ทนอยู่ไม่ได้นะแล้วก็บังคับไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ในใจพอมันเห็นอย่างนี้นะค่อยรู้ถูกเข้าใจถูกมากขึ้นมากขึ้นความทุกข์มันจะลดลงเห็นในรูปนามกายใจนี้เป็นตัวทุกข์นะแต่ความทุกข์ในใจลดลงเพราะว่าการหยิบฉวยยึดถือรูปนามมันลดลง รูปนามกายใจเป็นตัวทุกข์เราไปหยิบมาเราก็ทุกข์ไปด้วยถ้ามันรู้ความจริงมันวางมันไม่ทุกข์หน้านที่เราไม่ได้ทำอะไรพิเศษพิสดารหรอกหน้านที่เรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากจะรู้ความจริงได้ก็วางวางได้ก็ไม่ทุกข์วางได้น้อยก็ทุกข์เย่องเยอะหน่อย วางมากถูกก็น้อยวางหมดเลยก็ไม่ทุกแล้วร่ากายนี้ใจนี้มันทุกเราไปรักของที่เป็นทุกครูบาอาจารย์บางทีท่านเทียบว่าขันห้ามันเหมือนงูเหา่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นงูเราไปเอามันมาอุ้มเล่นถึงเวลามกัดเอาเราก็ทุกไปด้วย งนเราหน้าที่เราก็มาเรียนรู้ความจริงของรูปนามขันธห้านะดูเรื่อยๆไปแลวใจมันแจ้งขึ้นมามันก็วางใช่ๆรู้แล้วไอ้นี่งูกบวางก่อนที่มันจะกัดเนาใครเห็นร่างกายเป็นตัวทุกข์แล้วบ้างมีไหมรู้สึกไหมกายนี่มันทุกข์นะทุกทั้งวันเลยรู้สึกไหมจะกินข้าวอย่างทุกข์เลย ก่อนจะกินก็ทุกข์นะหิวกำลังกินอยู่ก็เมื่อยเมื่อ <laughs> เมื่อยกลามบางคนกินแล้วติดคอตายซะอีกกินเสร็จแล้วก็ทุกข์นะอึนดัดไม่สบายนอนมากมากก็ทุกข์นะใครเป็นไหมรู้สึกอย่างนอนเยอะๆก็ทุกข์ไม่ยอมนอนก็ทุกข์อนะีกกินก็ทุกข์นอนก็ทุกขนะ์ทำอะไรอะไรนะมันทุกข์ มันบีบคั้นอยู่ตลอดนีด่เรามาเรียนรู้นะเรียนรู้ลงมาในกายนี้โอ้มีแต่ทุกข์ถ้าสติระวัยจริงเราก็เห็นเลยนั่งอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่เดี๋ยวก็คันเ็าต้องเกานั่งนานก็เมื่อยก็ขยับไปขยับมานอนก็ทุกข์นอนพลิกซ้ายพลิกขวาถ้าพลิกไม่ได้ก็ยิ่งทุกอีก พวกเป็นอมพาสพลิกไม่ได้ต้องรอความเมตตาของคนอื่นเขามาช่วยพลิกให้โห้ยมีชีวิตรทรมานมากใครเคยมีญาติเป็นอมพาสไหมแบบที่นอนกระดิกพลิกตัวไม่ได้เราต้องคอยพลิกใ ห, ให้ไม่พลิกตัวก็เน่านะตัวเปื่อยเลยเรื่อกความจริงของชีวิตนะเป็นอย่างนี้เอง ถึงดูแลมันดีนะมันเคยแข็งแรงเติบโตขึ้นมาเราเลี้ยงอย่างดีเลยแต่ไปเรียวแรงมันก็ลดลงลดลงตาก็เริ่มมองไม่เห็นจะทําอะไรก็ต้องใส่แว่นบางคนใส่แว่นมาตั้งแต่เล็กๆ เ, เลยอย่างหมอเป็นต้นพวกตาสั้นแ ต, ตาสั้นแล้วใส่มาแต่เล็ก ตาเเริ่มมองลำบากขึ้นนะอุตส่าห์ดูแลอย่างดีนะหูก็ชักจะฟังไม่ได้ยินแขนขาเขาเรียวแดงน้อยลงน้อยลงเวลาป่วยก็ป่วยนานนี่ร่างกายที่เราอุตส่าห์ดูแลอย่างดีสุดท้ายก็ตายบางคนแข็งแรงนะ ยังไม่ทันจะเป็นอะไรเลยยังไม่แก่เลยแก่ไม่มากเพิ่งแก่ได้ยี่สิบปีเป็นมะเร็งตายแล้วเป็นรถทับตายขันมันแตกกายมันแตกอยู่ไม่ได้เนี่ยในร่างกายนะมันมีแต่ตัวทุกข์เต็มไปหมดเลยดูแลก็ยากดูแลไม่ดีก็แตกสลายดูแลดี ก็แตกสลายอีกแลหละเพรานวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยตัวที่นั่งอยู่แถวนี้จะแตกสลายไปหมดเคยคิดไหมว่าจะเป็นวันนี้วันนี้ยังไม่ตายเนาะเนี่ยใจของเราจะรู้สึกวันนี้เรายังไม่ตายหรอกคนที่ตายจํานวนมากก็คิดแบบนี้แหละนั่งเรือ บ, บินไปสบายใจนะอยู่ๆเรือ บ, บินก็ถูกยิงแตกเงนี้ย ตายตายในอากาศเลยความดันมันเปลี่ยนฉับพลันขึ้นไปสูงสิบกิโ ล, ลนะข้าง น, นอกอุณหภูมินี่นะติดลบทั้งสี่สีองศาเซลเซียสนะความดันอากาศก็ไม่เหมือนกันเปลี่ยนปรั บ, บอยู่ไม่ไหวแล้วตายง่ายรักษายาก รักษาไว้ยากนี่คุณหมอเขาเห็นด้วยเลยรักษายากคนไข้เดี๋ยวนี้รักษายากตายทุกวันเลยตายเนืองเนืองรักษายากตายง่ายแตกง่ายพระเจ้าท่านเทียบเหมือนหม้อดินเดี๋ยวรุ่นพวกเราใช้หม้อไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าแค่บุบบุบก็ยังใช้ได้อยู่คนโบราณใช้หม้อดินกระทบนิดเดียวก็แตกแนละ้ว ร้อนเร็วไปก็แตกเย็นเร็วไปก็แตกพวกเราก็เหมือนกันนะอยู่ๆร้อน ป, ปุบปัเพืาอมาร่างกายนี้ก็แตกเหมือนกันอยู่ๆเยน็นปุบปัก็แตกเหมือนกันท่านเทียบเหมือนหม้อ ด, ดินใครรู้จักหม้อ ด, ดินไหมเคยเห็นไหมเวลาใส่น้ำแล้วน้ำจะซึมออกมารู้สึกไหมเคยเจอไหมน้ำจะซึมท่านเทียบดีนะว่าร่างกายมันเหมือนหม้อ ด, ดิน มันมีของโสโครกเนี่ยไหลออกมาตลอดเวลาไหลซึมออกจากร่างกายทั่วร่างกายเลยตั้งแต่หัวถึงเท้าที่หัวถึงคี่ตีนเลยนะไหลออกไปตลอดไม่ใช่ของดีของวิเศษห่วงแหนแทบตายอุตส่าห์หลอกตัวเองนะหาแป้งมาทาหาอะไรมาทาหาสีมาทาสว ย, สวย หล่อได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็โทรมต้องคอยเติมสาวๆเวลาเสริมสวยเสร็จแล้วแต่ละวันนะตอนเย็ น, ยนๆก่อนจะกลับบ้านนะหลวงพ่อก็เห็นต้องมาแต่งอีกรอบหนึ่งทำันะมก่อนนั่งทำงานอยู่เห็นเลยพวกข้าราชการนะสามโมงเลิก ง, งานสี่โมงครึ่งนะสามโมงครึ่งเธออย่ามาตามงานเป็นเวลาที่ต้องให้ดูดีละ สาวๆนะี่แต่งมันสวยไม่จริงแล้วข้างในมันไม่สวย น, นะทำหาผิวที่ดูดีมาคลุมไว้ตั้งแต่หัวถึงเท้ามีแต่ของเหม็นมีแต่ของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดนะพระลราหาันสมัยพุทธกาลบางทีมีผู้หญิงไปจีบท่านเงั้นเรื่องผู้หญิงจีบผู้ชายเนี่ยมีมาตลอดนะ ไม่ใช่มีแต่ในยุคนี้หรอกผู้หญิงไปจีบท่านอย่างพระโมคคลาก็เคยสาวๆเคยมาจีบท่านบอกท่านไม่สนใจหรอกน้องหญิงท่านพูดเพราะนะเรียกเรียกผู้หญิงว่าน้องหญิงบอกว่าร่างกายของเธอนะในสายตาเราเนี่ยมันเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูมีรูรั่วเล็ ก, ลกๆนับไม่ถ้วน มีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดกร ะ, ะทั่งปลายเท้าเรายังไม่อยากแตะเลยของโสโครกเขาอุตส่าห์ทำให้สวยนะหาอะไรมาทาหาเสื้อผ้าสวยๆมาใส่เสื้อผ้าก่อนจะใส่ก็สวยดีนะสะอาดดีใส่ไปเดียวๆสกปรกเหม็นมันไปหอหุ้มของสกปรก ในร่างกายจริงๆเป็นอย่างนี้เราไม่ค่อยได้รู้ได้เห็นเราละเลยเราไม่อยากรู้เพราะเรารักมันเวลาเรารักอะไรนะเราก็พยายามมองข้ามความไม่ดีของมันไปอย่างเวลาเรารักสาวสักคนเราจะมองข้ามความไม่ดีของเขาไปจะมองแง่ดีของเขาดีเลิศเวลาสาวมันรักหนุ่มนะมันก็มองข้ามความไม่ดีของไอ้หนุ่มนี้รู้สึกมันดี ส่วนไม่ดีมีอยู่เดี๋ยวว่าแต่งแล้วเราจะค่อยๆสอนความโง่องของผู้หญิงนะคิดว่าจะดัดแปลงผู้ชายได้คิดว่าจะเปลี่ยนผู้ชายได้ส่วนความโง่องของผู้ชายก็คิดว่าผู้หญิงจะไม่เปลี่ยนกลับข้างกันนะ <c oughs> มันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยเดี๋ยวก็เหี่ยวละนิสัยก็ร้ายกว่าเก่าอะไรเงี้ยเนื้อท่าใจเรานะ มันค่อยๆสังเกตไปเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษคนทั่วๆไปรวมทั้งตัวเราเองนะพยายามล้าเลยไม่อยากดูมันเป็นธรรมชาติอะไรที่ไม่ดีอะไรที่เป็นทุกข์เราอยากลืมเวลามีความทุกข์อยากลืมมีความสุขอยากจะจำไว้จาไว้เพื่อจะได้หวยหาอยากให้มันมาอีกให้ความสุขมาอีก ความสุขอย่างอื่นยังค่อยชั่วนะอย่างความสุขในร่างกายเคยมีร่างกายที่ดูดีแก่เท่าลงเขาหวยหาคิดถึงเมื่อก่อนสาวๆสวยกว่าเธออีกก็เดี๋ยวนี้ไม่สวยมันไม่รู้จะทำยังไงให้สวยขึ้นมาอีกบางคนก็ไปดึงนะดึงดึงเดีเขาแซวันว่าหนังหน้านี่นะตั้งเดิมเนี่ยอยู่ที่ท้องแล้วดึงมานาน <laughs> แทนที่เราจะหนีความจริงนะคอยมารู้ความจริงคอยมารู้ความจริงในร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามโศกโปรโสโคร ก, ปกเปลี่ยนแปลงตลอดดูแลดีแค่ไหนนะวันหนึ่งก็แตกสลายทรยศเหมือนเราเลี้ยงท่านเทียบไม่ดีนะเลี้ยงเหมือนเลี้ยงงูพิษนะวันหนึ่งก็กัดเจ้าของมอนเล่นเอาตายทุกคน ร่างกายนี้นะเราเลี้ยงมันอย่างดีเลยสุดท้ายมันก็ทิ้งเราเนื้อถ้าใจเราเห็นอยู่ด้วยนะใจจะค่อยๆเบื่อร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีจิตใจก็แบบเดียวกันนะไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกคนมันมองข้ามความทุกข์ไปไม่ยอมดูทุกข์ไม่ยอมดูของไม่ดีพยายามจะดูแต่สิ่งดีๆ พระเทเจ้าถึง菩ุสาอนพวกเรานะให้รู้ทุกข์ให้รู้ทุกข์ดูลงมาสิในกายนี้มีแต่ของไม่ดีมีแต่ทุกข์ดูลงไปในจิตนะมีแต่ของไม่ดีมีแต่ทุกข์คนในโลกไม่อยากรู้ทุกข์อยากทําไม่รู้ไม่ชี้อยากลืมลืมไปอย่างพวกเราทุกคนต้องแก่พวกเราทุกคนต้องเจ็บพวกเราทุกคนต้องตาย พาะเราทุกคนต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักพวกเราทุกคนต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจแต่เราพยายามลืมมันไม่อยากนึกถึงความจริงเหล่านี้เราก็เลยหลงหลงอยู่นะอยู่แบบหลอกตัวเองอยู่อยู่กับร่างกายนี่นก็หลอกตัวเองไปวันๆหนึง่งรบประงมมันไปจิตใจนี้ก็หลอกตัวเองไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาให้มัน ตลอดเวลาเพื่อมันจะได้รู้สึกสบายใจมันเหง า, าขึ้นมาก็ไปดูหนังฟังเพลงไปหาของอร่อยกินไปคุยกับเพื่อนทําอย่างโน้นะทําอย่าง น, น, างนี้โทรศัพท์ไปไลน์ไป mm hmm. เพื่อได้เพลินเนเพลินเิน เ, นเพื่ออะไรเพื่อหนีไม่ดูทุกข์ไม่อยากรู้ว่าจิตใจมันมีความทุกข์อยู่ก็นหนีตลอดเวลา ร่างกายเราก็ไม่ดูว่ามันเป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยไม่สวยไม่งามมีภาระมากภาระในร่างกายนี้มหาศาลเลยตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นนอนมาทำอะไรบ้างมีภาระอะไรบ้างตื่นนอนมาแค่ขี้ตาสักหน่อยนึง <c oughs> <c oughs> ยังมึอนอยู่เห็น <c oughs> <c oughs> ไหมเต้นหม่ๆ <c oughs> <c oughs> ขยับไปขยับมาโอ้ยเมื่อย นี่พาระทัท่า น, นเลยเห็นไหมเมื่อยไหมตื่นนอนมาเดี๋ตื่นนอนมานี่ยนะปิ้งหน้านวหนวกมาเลยนะไม่มีหรอกนะบิดไปบิดมาโอ้ยมันเมื่อยยิ่งแก่ยิ่งเมื่อยนะเพ <c oughs> ื่อนเรามีความเมื่อยรออยู่ข้างหน้า <c oughs> ลุกขึ้นมาเด็กๆก็ลุกพลัดพลาดได้แก่ๆลุกพลัดพลาดก็กลิ้งตกเตียงไปเลยะ <c oughs> ลุกขึ้นมาต้องนั่งปรับสภาพก่อนค่อยๆลุกไปทีขาก็ไม่สามาัคคีกันมีพระบวทใหม่เดี๋ยวนี้มีพระบทใหม่เรื่อยๆนั่งพระเพียบนะมานั่งนานๆเวลาลุกขึ้นมาเนี่ยขามันไม่สามาัคคีกันนะข้างซ้ายมันเดินไปทางหนึ่งข้างขวาเดินอีกทาง <c oughs> <c oughs> กลิ้งเลยนะไปอบน้ํา ต้องต้องเป็นภาระไหมไปอาบน้ำอาบน้ำมีภาระอะไรบ้างต้องไปหาน้ำมาอาบก่อนต้องสร้างที่อาบน้ำต้องไปหาอุปกรณ์ต่างๆหาสบู่หาแชมพูอาบน้ำน้ำร้อนน้ำเย็นมีปัญหาอีกเป็นภ า, าระน้ำมันเย็นต้องหาทางทำให้ร้อนคนโบราณก็ต้มเอาต้มน้ำ เดี๋ยนี้ไม่ต้องต้มสบายมีสตังจ่ายค่าไฟก็แล้วกันนี่ภาระทั้งหมดเลยนะหาเงินไปจ่ายค่าไฟพวกเรามองข้ามไปอาบน้ำเห็นที่มีภาระเลยสบายดีที่เช็ดตัวผ้าเช็ดตัวมันลอยมาจากอากาศรือต้องไปซื้อมาแค่อาบน้ำนะภาระต้งเยอะเนละ อาหารการกินนี่ก็ภาระหนักเลยใช่ไหมที่เราเหนื่อยแทบตายทุกวันนี้ก็จะได้มีกินเป็นหลักเลยเสื้อผ้าปอนๆก็ไม่ยังไม่เป็นไรนะแต่ท้องหิวเนี่ยเป็นทุกข์อย่างยิ่งพระเจ้าว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเลยป็นโรคร้ายแรงเลยทรมานเนื่ยภาระนะที่เหนื่อยยากทรอาหากินแทบเป็นแทบตายทุกวันนี้ก็เพื่อเลี้ยงร่างกาย หลักเลยรายจ่ายส่วนใหญ่ของเราคือค่าอาหารยกเว้นพวกเศรษฐีนะรายจ่ายส่วนใหญ่คือค่าถัว่วอยเงี้ยค่าซื้อของซึ่งไม่ได้ใช้พวกเรามีกระเป๋าถือคนละหลายใบไหมสาวๆ <c oughs> มีรองเท้าหลายคู่ใส่ก็ใส่ได้คู่เดียวแหละใส่ทีละหลายคู่ได้ยังไง มีหลายคู่บางทีรีบรีบนะใส่กับข้างกันไปค <laughs> ราวนี้เดินขาบิดเลยข้างซ้ายข้างขวาสีมันไม่เท่ากันนะึงอุตภระทั้งนั้นนะในร่างกายเนี่ยดูเข้าไปเรื่อยมันเบือ่อเบื่อแล้วทำไงอ่ะเบื่อแล้วก็หนีไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันแหะเพราะมันอยู่กับเราแล้วเราได้มันมาแล้วด้วยเวรด้วยกรรมเรามีกรรมนะ ส่งผลมาทำให้เราได้ร่างกายแบบนี้ละบางคนเขามีกรรมดีเขาเคยถือศีลมานะเขามีร่างกายสวยงามบางคนไม่เคยเบียดเปลี่ยนสัตว์เลยมีร่างกายแข็งแรงแต่ว่าไม่ว่าจะแข็งแรงยังไงนะสุดท้ายก็แตกไม่ว่าจะสวยยังไงนะสุดท้ายก็ไม่สวยมันมีลิมิตของมันในความเป็นมนุษย์นี่แหละงี่เรามีสตินะ ดูลงมาย่าไปหลงกับมันมากทุกวันเนี้ยวุ่นวายก็เพราะร่างกายมีพวกเราบางคนนะอันนี้ไม่ได้แนะนําว่าทุกคนให้ทนะํานะเล่าให้ฟังมีบางคนเนี่ยไปโกนผมมีหลายคนแล้วนะรู้สึกสบายถ้าใครเคยเคยโกนผมแล้วจะรู้ว่ามันสบายนะมันลําบากตอนโกนเท่านั้นแหละ แต่ถ้าเอาปัตตอรเลียนถทยเอาก็ไม่ลำ บ, บากหรอกผมสั้นเนี่ยสบายสบายสระผมก็ใช้เวลานิดเดียวสระหนังหัวหวีผมก็ไม่ต้องซื้อหวีสบายน้ำมันใส่ผมก็ต้องใชนะ้ครีมต่างๆนะอะไรที่ทำให้หัวตั้งๆเป็นน้ำๆเดี๋ยวนี้ถนะ้า ม, มันมีอะไรที่อยู่ในหัวเนี่ยมากนะ เขเรียกอะไรนะที่ใส่แล้วแข็งแข็งน่ะเจ้หัวนิ่มนิมไปทําให้แข็งนะหัวแข็งแข็งไปทําให้นิ่ม อ, อผมตรงตรงไปทําให้หยิกผมหยิกหยิกไปทําให้ตรงรู้ภาระเยอะเลยตั้งตั้งแต่หัวถึงเท้าลงไล่ไปดูสุดท้ายมันก็ทรยศนะมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายแทนที่จะตกเป็นทาตมันนะเอามันมาใช้งานซะ พามันมาไหว้พระสวดมนต์พามันนั่งสมาธิเดินจงกรมไหนไหนมันก็ทรยศเราแน่นอนนะเราใช้งานมันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเองปนมมือไหว้พระหรือเดินจงกรมนี่หรือนั่งสมาธิหรือหายใจอยู่ไม่ต้องทำอะไรหายใจอยู่เห็นร่างกายหายใจแค่นี้ก็ได้ประโยชน์ละเจ็บป่วยมากนอนอยู่ เห็นร่างกายมันนอนใจเป็นคนดูนี่ได้ประโยชน์ละนะรู้จักใช้ประโยชน์จากร่างกายให้คุ้มค่าหน่อยดูแลมันนั้งหนักหนาสาหัสนะแล้ววันหนึ่งมันทรยศเราก่อนที่มันจะทรยศเรานี้นะเราใช้ประโยชน์มันซะก่อนเอาให้คุ้มก่อนไม่มีอะไรจะคุ้มเท่ากับเอาไปไปภานารหรอกไปสร้างความดีขึ้นมาสุดท้ายเราก็ทิ้งร่างกายนี้ไปนะมีความดีติดตัวไป มันข้ามภพข้ามชาติจริงๆนะถเราภาวนาเป็นแล้วบางคนมีหูมีตาขึ้นมาระลึกได้จะรู้ว่ามันบนตายบนเกิดอยู่อย่างนี้เนิ่นนานมีพระวงหนึ่งเคยสงสัยว่าในกลับเนี้ยเคยเกิดเป็นคนกี่ครั้งท่ก็นั่งสมาธิก็เห็นภาพเห็นหัวกะโหลกเฉพาะหัวกะโหลกนะที่เป็นคนนะ กองเท่าตึกห้าชั้นสูงเท่าตึกห้าชั้นโอ้ันตไยเกิดมหาสารเลยนะวนเวียนอยู่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้โลกเดียวหรอกอยู่ได้หลายโลกสัตว์ในโลกต่างๆมีมากนะมีเป็นพันพันโลกในกาแล็กซีของเราเนี่ยอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองหรอกพรานุรุษพระอะไรนี้ท่านเห็น พุทธเจ้าท่านก็เห็นท่านก็บอกในจักรวาลในกาแล็กซี่เรานีมีโลกใหญ่ๆโลกน้อยๆ น, ยนี่เป็นพันๆโลกพวกนี้ก็ถือเป็นชมพูทวีปนะเป็นมิติเดียวกับพวกเราพุทธเจ้าเกิดได้พระยะสาวกเกิดได้พระปัจเจกก็เกิดได้มันจะเวียนตายเวียนเกิดไปเรื่อย ในวัฏฏานี่นะเวียนตายเวียนเกิดนะเยอะมากเลยเกิดทีไรตายทุกทีเลยเกิดทีไรเป็นทุกทุกทีเลยแต่เราไม่เข็ดนะเพราะเราไม่รู้ทุกเราไม่ยอมเรียนรู้นะบางคนระลึกได้ยาวไกลโอโหหน้าสีสเยียหน้าสะยดสะยองอย่างพระพุทธเจ้าระลึกไปยาวมากเลยมีแต่ทุกข์เท่านั้นเลยไม่เห็นมีอย่างอื่นเลย พวกเราระลึกไปชาติก่อนๆไม่ได้นะยานทัศนะเราน้อยอย่าว่าแต่ชาติก่อนๆเลยทุกเดี๋ยวนี้เรายังไม่ยอมดูเลยเงั้นถึงเราระลึกความทุกข์ในชาติก่อนๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเราคอยรู้ทุกข์ในปัจจุบันเนี้กายนี้แหละตัวทุกข์เราภาวนาไปก็เห็นกายนี้ตัวทุกข์ใจนี้ตัวทุกข์คอยดูซ้ําแล้วซ้ําอีกไปได้ สุดท้ายเราก็จะอยู่กับมันนะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ของดีหรอกแต่จำเป็นต้องอยู่กับมันเหมือนสาวๆสักคนนะไปแต่งงานกับไอ้หนุ่มสักคนรู้สึกมันดีมากเลยเพอแต่งแล้วมันไม่เอาไหนเลยแต่เรายังไม่รู้จะทำยังไงจะทิ้งมันได้ต้องอยู่กับมันรู้ว่ามันไม่ดีแต่ต้องอยู่กับมันอยู่ยังไงเราจะไม่ทุกข์ปัญหาอยู่ตรงนี้ตหาไม่ใช่ว่าเชื้อคอตายไปแล้วไม่ทุกข์นะ ไปฆ่าตัวตายเห็นร่างกายไม่ดีเลยฆ่าตัวตายมันจะมีกายใหม่ขึ้นมาอีกก็ทุกอีกยิ่งกว่าเก่าอีกคราวนี้เป็นกายในสัตว์นรกยิ่งแย่ใหญ่เมื่อเราอยู่กับตัวทุกข์แล้วเราหนีมันไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันให้ฉลาดหน่อยอยู่กับมันแบบเข้าใจมันถ้าเราเข้าใจมันแล้วก็ไม่กลุ้มใจเข้าใจมันสิร่างกายนี้ต้องแก่ พอมันแก่เราไม่กลุ่มใจเข้าใจมันนะร่างกายนี้ต้องเจ็บพอมันเจ็บเราก็ไม่กลุ่มใจเข้าใจมันว่ามันต้องตาย ม, มันจะตายจริงก็มไม่กลุ่มใจทำความรู้จักมันทำความเข้าใจมันพระพุทธเจ้าถึงสอนให้รู้ทุกุรู้ทุกถนัดรู้กายก็รู้กายนะถนัดรู้ใจก็รู้ใจอย่าหนีทุกข์ สันดาลเราทุกคนนะมันหนีทุกไม่อยากดูพยายามลืมลืมที่มันทุกที่มันไม่ดีมันไม่สวยมันไม่งามพยายามสังเกตไปเลยคอยดูลงไปมีแต่ทุกมีแต่ของไม่ดีมีแต่ของไม่สวยของไม่งามนะในกายนี้หรือในใจก็มีความทุกนะถ้าสังเกตให้ดีเวลาตามองเห็นใจก็กระเพื่อม หูได้ยินเสียงใจก็กระเพิ่มแค่ใจก็เพิ่มเท่านั้นแหละก็ทุกแล้วถ้าสติของเรารวดเร็วพอยิ่งมีความอยากเกิดขึ้นนะใจยิ่งถูกบีบคั้นความอยากของเราเกิดทั้งวันเลยนั ใ, นใจเนี่ยถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาลจะขยำอยู่ตลอดเวลาเลยยิ่งถ้าดูเป็นนะก็เห็นโอ้โหมีแต่ทุกข์นะมันถูกขยำขยี้ถูกบดอยู่ตลอดเวลาเลยในจิตใจเนี้ ทุกคราวที่เกิดความอยากแต่ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้อยากอะไรนะแค่มันทำงานอยู่โดยตัวของมันเองมันไหวอยู่โดยตัวของมันเองนี่ก็ถูกแล้วละ่ะเป็นภาระมากนะมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยยิ่งเกิดความอยากขึ้นมายิ่งทุกแรงขยี้เลยเราลองไปดูนะเวลาใจเราเกิดความอยากสังเกตให้ดีใจเราถูกขยี้เลยค่อยๆดูไปถ้าดูใจได้ก็ดูใจไปดูใจไม่ได้ก็ดูกาย อย่าลาเลยที่จะรู้ทุกนะเพื่อวันหนึ่งจะได้พ้นจากทุกถ้าลาเลยการรู้ทุกเราก็จะเพลิดเพลินกับมันเพลิดเพลินกับตัวทุกนี่เองถ้าเราหลอกตัวเองว่ามันเป็นตัวดีน่าไปกินข้าวนะกินข้าวเพื่ออะไรเพื่อลดความทุกข์ลงลดเวทนานะกินพอดีกินมากก็ทุกมากนะ